ก็มีโอกาสพบกันตอนเช้าตอนเนย็นอาศัยการทำวัดสวดนต์ด้วยพระได้เป็นไปแล้วตั้งแต่สมัยขั้งพุทธเจ้าพุทธกาลปีสามตีสองพระพุทธเจ้าจะมองโลสัตว์โลกว่าผูใ้ใดอยู่ในตาข่าย ที่จะฟังทรรมก็มองเพื่อจะไปช่วยปีประชุมสงฆ์ธวัดสวดมนต์ส น, น, สนพระสนสงฆ์ปีห้าางแผนงานจะไปทางไหนปวดใครออกปองเชา้าออกเป็นนาบาทมีทบากก็คือไปปรดสัตว์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 ไปเลาะในเบื้องต้นไาเลาะท่ามกลางไาเลาะในที่สุดอย่าโทษทิ้งหน้าที่ตุระของเราในเรื่องนี้เราใจใจมีความเพียรมีสติเอามาปาลบเอามาประกอบเพื่ อ, อยังกุศลที่อื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อ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 มันก็เห็นอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่ทำให้เรามีการกระทำในที่มาขนาดที่มันเกิดขึ้นเช่นเรามามีความเพียรมาศึกษามาปฏิบัติมาหัตมันก็เห็นเห็นความหลงเห็นความรู้ภาษาที่เราสอนคุ้นเคยก็คือรู้สึกตัว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 สอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเป็นผู้ดูหรือผู้เห็นแล้วก็เป็นคนละอันกันอย่าทอดทิ้งอย่าวางธุละตรงนี้จะมีธุละขันธะธุละจะต้องหอยใจใส่สักหน่อยวิปัสสนาธุละตามความหลงให้เป็นความรู้ตามความผิดได้เป็นความถูก ว่าวิปัสนาทุละกันพ้นไปบ้างอันหลงพ้นจากความหลงได้บ้างมันทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้บ้างนี่เป็นวิปัสนาทุละวิปัสนาคือพ้นภาวะเก่าภาวะเดิมหัดตรงนี้ให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้ฝุกหัดให้มันเป็นทำให้เป็น เวลามันหลงให้รู้สึกตัวให้เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวความรู้เอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวห้องทั้งหมดจะว่าดูรอบๆมันมีอย่าปล่อยทิ้งอย่าทษทิ้งถ้าความหลงเป็นความหลงความหลงก็ไม่ไม่อยู่แค่นั้นก็ขยายไปอีกเป็นเหล่าก่อเป็นความโกรธความทุกข์ อิจฉาเบียดเบียนเป็นกรรมไปเลยแม้มันน้อยนิดที่แรกแรงควมหลงเฉยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไปก็หลงไปใหญ่เป็นอะไรเป็นพบเป็นชาติชะลาโมนะโสกปเิวะทุกเคยเจ็อเจ็บตายไปโน้่นไม่ใช่เรื่องน้อยถ้าเราไม่หลงเรารู้นี่มันก็ไปทางไม่มีชาติไม่มีชะลาไม่มีโมนะ ไม่มีเกิดเจ็บเจบตายมันก็ไปทางโน้นอกีกถ้าเราไปเจ๊ตรงนี้ไม่หัดตรงนี้ไม่กลับตรงนี้มันก็ไปคนละทิศละทางตึงหัดทําให้มันเป็นเหมือนเราเดินทางถ้ามันผิดก็หยุดอย่เดินต่อไปกลับมาถ้าผิดแล้วยังเดินต่อไปอย่มันก็ไปไกลเงินชาเสียเวลา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 เป็นเวทนาสักวป็เวทนาอย่างนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในเวทนาให้ค่านิดหน่อยจนไม่มีค่าเลยในเวทนาถ้าเราไม่หยุดเวทนาก็มีค่ามากจนเราตกเป็นทาตของเวทนาเมื่อมีค่ามากตกเป็นทาตแล้วต้องซื้อเอา ข, อข่มขืนเอาก็องวยเอาป้นเอา ตูเอากองเอาแลก็ดือด้านขึ้นไปเรื่อยๆเวทนาไม่ใช่สักว่าเวทนาเสร็จแล้วมีค่าให้ค่ามากจนชีวิตตั้งชีวิตตกเป็นธาตองเวทนาตป่นคนติดจะเสพติดติดกาวติดเทนเนอร์ติดบุหรี่ติดเหล้าติดรูปรถกินเสียงเนี่ย ไปดูแถวหออัวลำโพงเวลาเราขึ้นรถไฟพวกติดกินเนี่ยพวกติดเกาติดกินเหมน็นก็พากไปนั่งนองนเมาอยู่แถวห้องน้ําในหออัวลำโพงอันแสดงว่ามันติดเหมน็นมันก็ติดได้เหมือนกันที่ไม่เหมน็นมันไม่อยู่มันชอบเหมน็เมนเหม็น ไม่เหม็นก็หงมาชื่อมาเอาเพราะมันติดแล้วต่ไม่หนึง่งไปสอนทำที่จชงลายกลับมาก็ต้งองรถทัวกลับมาพอถึงแถวเด่นชัยเนะี่ยมีคนคนหนึ่งขึ้นกลางทางแถวเด่นชัยเราก็นั่งอยู่แอบบแอบสุดท้ายหลังเบาหลังเป็นที่ลับไม่ กีดกลางครงแล้วก็ดูตัวเองไม่ลงหลังหลายคนนั่นขึ้นไปก็ก็ขอคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปบอกลุตงตาออกมาสักหน่อยเขาจะไปนั่งมุมโน้นแล้วก็ตักเข่าของเราออกไปออกไปแล้วก็ออกให้เขาไปนั่งเอขานั่งสักหน่อยเอาผ้าคลุมหัวก็ดมกาว แล้วก็เหม็นใครก็เหม็นบอกว่าเหม็นกลาวเหม็นกลาวใครดมกลาวใครดมกลาววยโวยขึ้นไอ้คนนั่งกันเอาผ้ากหมัวนั่งก้มลมกลาวอยู่นู้ครับรถโดยสารก็จอดรถใครดมนะคนนั่งคนนั้นั่งอยู่นั่นนะไปดึงมันลงมาโดยที่เสร็จไปจับแขนดึงลงมา มันก็ไม่กลัวใครเลยดมเฉยจนได้อมดมได้ที่กับน้ามูกน้ำลายไหลหยดเฉยเฉยไม่ด้วยจักอยานเลยนั่นคือมันไม่ใช่ว่ามันมันนิดหน่อยเวทนาเนี่ยไปไกลคนทองชั่วเร็วซามได้ก็ว่าเป็นธาตุของเวทนาหรือว่าติดคุกติดตางเป็นทุกข์ก็พอเวทนานี่เอง เราจึงมาเห็นมันให้ค่ามันเวทนาสัตวก็เวทนาไม่ใช่สัตว์ประกอตัวตนเราขอนี่ยถอนออกว่าตอนหยุดมันถึงมักถึงผลนะไม่ใช่ไปตะพุตตะพืนนะหยุดไม่เป็นนั่งก็เย็นแม่ดาทางเราสวด น, นะทำตรงนี้เรียกวกรรมฐานปฏิบัติคือเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนถ้ามันรูปจะเปลี่ยนนั่งก็ พลงพลังเหมือนพ่อค้าสองพ่อเทือนพูดเรื่องพ่อค้าพ่อค้าขายปอพ่อค้าขายโอ้ยต้องรถเจ็บล้อบรรทุกไปขายปอก็ใช่รถเจ็บล้อบรรทุกไปเป็นรถรถต้องลงทุนชื่อรถต้องทุนสร้างฉางเก็บสินค้า มันก็พะลุงพลังพอค้าขายเพชรขายพลอยไม่ต้องเอาสิบล้อใส่กระเป๋าแจมบอลเทียงกระเป๋าเจมบอลถือเบาๆได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปขายแล้วแต่ว่าเทียนคุยเรื่องนี้มากท่านบอกว่ า, วาทันเง่อเงินล้วเงินพันเงินหมื่นไม่เป็นมาเป็นแต่เงินหมืน่นเงินแสน หาอย่าไงไรรถถฉีบลร ก, ก็มีคังสินข้าก็ไม่มีบ้านเชียงคานแถวนั่นทำไร้ายตื้อดูเจ็บาฟพ่อเทียนก็ไปถามดูจะขายเท่าไหร่เพราะไอ้นี่จะขายกิโลเท่าใดตันเท่าไหร่ก็คขาเขาซื้อเท่าไหร่ ก็ว่าขายเท่า น, นั้นเออนี่พ่อค้าให้เท่า น, นั้นบาทถ้าอะไรเท่า น, นั้นจะขายตัง ล, งลังรอง อ, งอยู่พ่อเทียนก็บอกว่าถ้าให้สมมติเขากิโลละสิบสี่บาทหลวงพ่อเทียนได้สิบห้าบาทแต่ต้องขายให้หลวงพ่อเทียนนั่งหมดคนในเผลเนี่ยในบ้านเนี่ยก็ไปถามเจ้านั่นเจ้านี่ว่าจะขายจะขายจะขาย มีผ้ายี่ร้อยจีพันตันบอกว่ามีเท่านั้นร้อยมีเท่นี้พันอาจจะซื้อให้แต่พอเถียนพอสอบสินค้าได้แล้วประมาณจีตันจีตันรวบรวมดูมมแล้วเจ้านอนเท่านั้นเจ้าในเท่นี้ก็ไปหาพ่อข้าคนกลางจะซื้อเท่าไหร่ผ้ายีวนี่ซื้อเท่านั้ น, น, นถ้า จะเอามาขายให้เท่านี้จะได้ไป้ายเป็นเสเียนเฉีนล้านล่านตันจะซื้อไหมพอค้าก็ตกลงซื้อถ้ามาขายให้หมดอลวงอเทียนก็ตกลงกับพ่อข้ามาบอกบอกให้พ่อข้าไปเอาได้ไป้ายเอารถไปใส่เลยหลวง่อเทียนก็ไม่มีฉางก็บอกก็รถไปแล้วก็นี่อยู่นี่ พันตันหยวน1 0อยตันสองรอยตัน ก, ก็คอยทุกข์โอ้ยโอ้ยเพราะว่าหลวงพ่อเทียนว่ากินน้ำชาแก้วเดียวก็ได้เงินแสนแล้วหลวงพ่อเทียนคุยอย่างนี้ไม่เหมือนพ่อข่าขายปอขายอ้อยต้องใจรดจิบล้อหลวงพ่อเทียนมือเป่านอะองินรอยเงินพันไม่เป็นพัดลงพหลังนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน บางทีก็เชื่ออะไรงมายไปเถอะพื่อเถื่อนนัดีอนนีไม่ดีอันนันชอบอันนี้ไม่ชอบออจิตวิทยสัยของตนไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเขาสมองโอความเห็นมันก็ต่างกันอยู่เป็นบางคนปฏิบัติกรรมาฐานเกิดมาแบบ น, นั้นแบบนี้ตานี้ชอบกับทิสัยของเราบางทีคนนั่นก็มัชอบอย่างนี้ชอบแบบนี้ บาทีอาจารย์กรรมฐานก็ต้องสอนถ้าใครมีโทษสัจริตก็ให้บริกรรมว่าแผ่เมตตาสัพพตตาถ้าไปมีราคะจริตให้มองถึงอัสวภักกรรมฐานถ้าใครมีโมหะจริตก็บริกรรมว่าพุทโธพุทโธตามเจตนนิสัยของคนนั่นๆหรือเึกสมบาตเพึกสมาธิ ในรูปแบบต่างๆบางทีก็สอนกันตามความคิดเห็นของเขาบางคนก็ชอบมองนิมิตมองกระสีเราก็สีดาวนิมิตชอบเล่นนิมิตให้เห็นนิมิตทางตาทางหูทางกลิ่นหานิมิตให้ได้บางทีก็เพ่งกระสีเพ่งทูบ เพ่งเทียนเพ่งอะไรต่างๆตอนทีก็เพ่งขี่กดเคยหัดตองโดนะแล้วนอนเวลานอนเราพิ้งขี้กดเรานอนกลางกดกดมันก็ไม่อยู่ชงเตียงเนี่ยมันก็หลีไปเลีไปก็มองเวมองเวลแม่งกระพิบตาแล้วไปมองเป็นชั่วโมงสองโมงก็ไปเอาไปมาเมื่อกมาตาหลีไปเลยมันก็เพ่งไปแบบนั้น เออไม่ถูกไม่ถูกมันไปทางนอกกันแบบหัดลมดูมองแสงอาทิตย์ตอนสองโงเช้าไม่คริปตาอันนี้ก็มีจะน้ำตาไหลก็มีมองกระสินเอาเดื่นมาเป็นนิมิตอันนี้ให่ก็มีเหมือนกันบังทีเพ่งหายใจเข้าพุทธตามลมเข้าออกตามลมเข้าออกตามลมเข้าหายใจเข้าพุพุท เข้าโถรู้ตามลมไปตามลมไปตามลงไ ป, งไ ป, งไปถ้าอยากให้ตัวแข็งว่ามันตามลมดีแล้วตามกันเจอสักหน่อยตัวแข็งเลยเคยสอนคนได้แบบเนี้ยกดทับไปเลยตัวแข็งไปเลยการเป็นันตัวแข็งบางทีสอนกันผิดแก้ไขกันไมเป็นมาเรียกเราไป บางคนสร้างจะแบบเพ่งกันไอยกไปออกมือมือติดตั้งแต่ทีสามคนบ้านใกล้กันเป็นโยมผู้เท่าเหมือนเนื้อเหอมือนนั่งอยู่เนี่ยแต่ปฏิบัติสร้างไปสร้างไปเพ่งกันไปมือติดไม่ได้ทำมัดเลยยกมือไม่ออกแต่เมตตาแล้วก็แล้วตรวจน้แล้วก็แล้ว เป็นเบญปิการอะไรจนเครียกันเลยตอนมาเช่าเราก็ไม่เห็นโยมมาเฉยเท่าตอนเช้าก็ไม่เห็นโยมอีกพอเฉยเช่าเสร็จเราก็เดินไปทางกติโยมอยู่เห็นนั่งอยู่โอ้ยมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยสองพ่ออาจารย์อาจารย์มาช่วยด้วย รั่เป็นเบนมากรรมอะไรมือติดตั้งแต่ที่สามยกไม่ออกเราก็หมอในใจหัวเลาะในใจแจ้งว่ามันเพ่งกันไปเราก็ไม่ไปพูดเรื่องมือยกไม่ออกมันเป็นไรไปรมยตาเรากันแล้วตรวจน้ํามเราก็แล้วไม่นรั่เป็นเบนมกรรมอะไรจากกินข้าวก็ไม่ได้ไปดักไปขับไปถ่ายก็มือไม่ออกลุกมขึ้นเลย แล้วก็ไปก็ชื่อพ่อใหญ่กาบท่นคนบ้างใกล้กันพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีลูกกี่คนมีลลกห้าคนคนหนึ่งมันตายเหลืออยู่สีคนแต่นี่ลูกสาวลูกภัยเลี้ยงดูหรือว่าใครเป็นผู้ดูแลลูกเขยลูกสาวเป็นคนดูแลมีหลานจี่คนมีหลานสามคน คิถึงหลานหมาคิดถึงอยู่แต่ว่าวางหนะ้ายิงหรือเปล่าไม่ใช่สี่คนหรือหลานสามคนจะไงลืมหลานไปแล้วพ่อใหญ่แล้วก็มีคนนั้นคนนี้ก็มีสามคนตอน น, นี้นายนั่นเด็กชายนั้นเด็กชายนี่ไม่ใช่อาจจะมีสี่คนนะลืมหลานแล้วหมายใช่เนี่ก็ลืมหลานแล้วไม่ถูกต้องไหมสี่คน อาจาร์ก็เคยเห็นบ้านเดียกใกล้ๆ ก, กันนะอาเชียก็ลืมหลอนแล้วอาอยุเท่าไหรไ่แล้วนะ่อาอยุเจ็ดสิบปีแล้วโอ้ยลืมไปแล้วไม่ลืมไม่ลืมผมมีหลานเชียร์สามคนยยกโตีคนนั่นมีคนนี้หลังตาก็น้ อ, น อ, นนองเห็นแสดงล่าออกมาแล้วพอคุยกันไปคุยกันมา เอ้ามือผมโอม ก, ก็อะไรหรอเรไม่รู้หรอมันเพ่งเกินไปก็ไม่ถูกบางทีจริงจังเกินเกินไปจนหน้าดําครืเครียดทํำไม่ได้สบายสบายทำอะไรถ้าทําพอดีมันมีมรรคมาปฏิปทาอมยิ้มไว้ในใจอย่าเอายากอย่าง่ายเอยาควกมยากเอาความง่ายเอยาควกมผิดเอาความถูก เอาเหตุเอาผลเอากรรมรุ่นลวนเนี่ยลูกชะตัวเนี่ยกํามองโปรไปลูกชะตัวไปมันหลงก็อย่าให้ความหลงไม่ค่าถือว่าผิดแล้วมันรู้ก็ถือว่าควรู้ม่ค่าถูกแล้วเมื่อมันถูกก็พอใจเมื่อมันไม่ถูกก็ไม่พอใจ มีสัมจยะถอนความพอใจแล้วก็มากระจายออกมามารู้สึกปกติธรรมดาเนี่ยเนี่ยที่ถึงถึงผลมาใช่เอาจิงเอาจังจนหน้าดําความเขียดเด็วก็เกิดเขียดได้เหงาหอนนอนได้ยากได้เบื่อหน่ายขายความเขียดได้บหมืกันถ้มองถึงความเปลี่ยนที่โอ้ยไม่ชั่วไม่ชั่วโย่ยอมแล้ว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 เมื่อตั้งท้าไว้จุดท้าไว้จิตใจมันก็ไปมองแต่ทุกเมื่อไหนทุกจะหมดล้วนหมดผัวาวป่าฉันแล้วก็คิดไปลืมไปแล้วลืมเพราะสัจจะก็ไม่นะตั้งใจผิดผิดก็ไมเอาจริงอาจังกับอันอื่นมากาหนดเราให้จริงอื่นมากาหนดเราบางดีก็ถามเดินนานเท่าไหร่ล้างนานเท่าไหร่เดินชาดันไหวยอย่างไง ชาดีไหมไหวดีไหมที่ก็ถามเรื่องอย่างนี้อะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้ามันง่วงนอนก็ทำมาไหวแรงๆจังหวะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี่ไอจังหวะที่เราทำหลวงพ่อทีย่สอนเรา เรามงง่วงก็ทำงานนอกรูปแบบก็ได้เออยกหลังแ ล, ลองดูที่หายใจดยมันจะปลุกตัวให้ตืน่นกนเอานอกรูปแบบอีกนั่งกราบพระเจ้าพระเจ้านูต่อนั่งเราเรานั่งต่อน่าพระพักของหวงกราบครั้งแรกแล้วกราบครั้งที่สองใจใจ สองข้างหน้าเอนอกเลไปมื่อใส่ใจมันไม่ไปกดทับความง่วงกันไปเครียกันไปวางมาทำออกมาชักงหน่อยอย่าเข้ากันไปรู้จักออกรู้จักถอยพอดีคุมกันไปก็เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็เลยผิดๆิดถูกถูกไปอานย่าไปคุมกันไปทำพอดีพอดีให้พอดีกับตัวเองอันช้าอันไวไม่เกี่ยวข้อง ตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับเราบางทีเดินช้ามันคิดมากเดินไปไวชั่หน่อยเดินไวชั่หน่อยถ้าเดินไวมันเพ่งกันไปกับช้าชั่งหน่อยค่อยๆเดินมองก็จามองไกลกันไปให้มันได้ฉากสายตาเราก็ายืนก็ความสงของยืนมองไปถ้านั่งความสงของนั่งมองไป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 ไม่ได้สอนแน่ยเราสอนเราเองเป็นไอ้บทที่เราช่วยตัวเอ ง, งหัดปองตั้งแต่ยองัยบาลอ้จานน็อตสู่แขนขึ้นดา่าว่าชั้นห้าไปเดินอยู่จงกรมหมดเดินหัดวิ่งเดินไหวๆแข่งแขนมองเห็นสวนลุมก็สงอาทิตขึ้น อะไรเสียงแด ก, กันนอนให้แน ด, ดถูกซะหน่อยขยันกว่านี้ใช่ไหมเพิ่พื้นใหม่ๆเื่นขึ้นมาอาบน้ําตอนเช้าน้ำอุ่นจอโนตก็ต้มน้ําให้เอาเท่าสองเท่าจุ่มน้ําร้อนนั่งดูเจ้าก่อนแล้วก็อาบน้ําอุ่นเดี๋ยวนี้ไม่อาบแล้วตอนเช้าขี้เกียจแล้วไม่ไม่ขยันมาเมื่อก่อนแต่ก่อนขยันกว่า น, นี้นะ อยงกรมเนะ่ยแขงแขนบางคนแจ่งไม่เป็นให้มันได้จังหวะ ก, กับการ น, น้องของเราน้องของเราเนี่ยน้องของเราเน่ยกับแขนของเราให้มันได้จังหวะมันจะย้อนก็ดีบางคนไม่ถูกจังหวะ ก, กันทำไม่เป็นไม่ไม่ดีต้องทําให้เป็นเราก็หัดจากสภาพของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเอาตาเลยหัดเดินจัง ก, กรมแบบพียงแขนตอนเช้าชั่วโมงหนึ่ง ถ้าทําให้แข็งขันสักหน่อยชจ่าโม่เอาวินาทีละเก้าสองเกได้แกงแขนนับไปเนี่ยสองเ้าได้แกงแขนข้างหนังถ้าวินาทีละเก้าเจโมงหนึ่งก็ได้หลายแปดพันเก้าบางทีก็เอาจนถึงหมื่นเกเดินลอกสะอิ้ธรรมสถาน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 เป็นความสนุกสนานคนมาถามบางทีคนก็มองหน้าเราน้องให้ว่าไม่ใช่สีคนเป็นเดินของมะเร็งแล้วก็ฉายลังสีไม่กันหมดเลยทั้งตัวอามาลองให้กับเราทําไมเราไม่ได้ทุกเดอนล่องเลยสนุกสนานเต็มทีแล้วบอกคนเขาก็ไม่เชื่อเรอเก็มองหน้าเราก็ล่องให้ล่ะบางคนรอ่านกันเออหัดตั้งแต่นี้เลยไปะ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 อันนี้มันหยุดแต่อันหนึ่งมันไปมันก้าวไปแยงไปโจมบังโจมผลในที่โจดก็ห้ทีเดียวละเหมือนเห็นเนี่ยมันไม่เป็นมันก็ก็นม่ผ่านพระในผพานมีฝั่งถ้าเป็นมันมีอย่างนี้มันต่ํากว่าฝั่งลอยคอมันขึ้นไม่ได้ถ้าเห็นเรามันเทียบท่าเลยมันเทียบท่าเลยเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์ เป็นกวามโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นกวามโกรธเนี่ยมันก็เทียบท่านนี่ถ้าเป็นเรามันต่ําเพราะฉะนั้นฝั่งผนิพานธ์มนุษย์สอนยากลุ่งโละอยู่ตางฝั่งเนี่ยเป็นอยู่นะเป็นสุขเป็นทุกข์นะผู้ที่ถึงฝั่งนิพานมีมีไม่มากนะขึ้นมาเห็นนั่นก็นอันนี้จึงจะเสนอการเคยดเจ็เจ็บตายได้เป็นเรื่องสมบัติของเราทุกคนทำเอาเอง ให้เห็นมันเห็นอะไรเห็นกายจักว่ากายไม่ใช่จัดบุคุณตัวตนเหาขออย่าเอากายเป็นตัวเป็นตนกูร้อนกูหนาวกูปวดกูม้วยกูสุกกูทุกข์กูทําได้กูทํำมาได้เอากายเป็นเครืงตั้งเพื่อผูกพันให้เกิดควาเป็นภพเป็นชาติแล้วก็เห็นกายจัก่ากายไม่ใช่จตุคุณก็พ้นไปแล้วเห็นเวทนาเห็นจิต มีไหมมีทุกคนเป็นด่านออกจากเก้าแรกทีเดียว้วยพอปั๊บไปเดินไปก็เจอกายไปทีมันก็มีเราบอ ก, กว่าเวทนาก็มีแน่นอนจิตก็มีนั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่มันไม่อยู่มันเคยไหลมันก็ไหลไปก็กลับมาลูกวันไม่ใช่ไปตามจิตได้แต่ จ, จิตมันจะให้สุขให้ทุก ก็จิตมันทุกก็ทุกกับตามความคิดถ้าจิตมันจุก็จุไปตามความคิดไม่ใช่ให้เราเป็นใหญ่จะติอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ก่อนนี่อาจะนักเป็นใหญ่ตาหูจมูกดิ้นกายใจเป็นใหญ่หลบลดจินเสียงเป็นใหญ่แล้วก็แย่งกันไปคนละทิศละทางตาเป็นใหญ่ถ้าไปทางตาหูเป็นใหญ่ก็ไปทางหูจมูกดิ้นเป็นใหญ่ก็ไปทาง สิ่งนั้นๆบันี้อินทรีย์สติอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่มันก็สมบุกมบูรณ์จะลงทันทีอจตนะเป็นที่รับใช้ของสติอินทรีย์ไปเลยจับมันมาใช้แถมคิดเรื่องใดแชมดูเรื่องใดจะให้มันเห็นเรื่องใดจับมันมาใช้แต่ก่อมันใช่เรามันใช่เรามันอยากคิดมันก็คิดมี่ไหมฮะ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 เวลาเอาต่อยให้ลูกเด่นนะถ้าเอามันวางไว้เหมันเดินไปแล้วหงายมันขึ้นซมันก็เดินไม่ได้ใช่ไหมมันก็เด้าเด้วิสังขารเคยเปลี่ยนร้ายเป็นดีตัวสังขารคือมันขยันคิดขยันหลงขยันอะไรไปของมันเองแล้วก็มีเห็นมันปั๊บสังขารมันเหมือนไปแปไปถึงรักถึงชอบถึงพอใจอะไรต่างๆ วอวิสังขารเปลี่ยนนั่นมัานก็หยุดสังขารหลาปรมาทุกขสังขารเป็นทุกวิสังขารวินิพานังปรมาสวนนิพานไม่เป็นทุกเปลี่ยนเมื่อใดผุ้คนเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั่นย่อมหน่ายๆในสินนะ่งที่เป็นทุกที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพานมาจากนี้ทุกแท้ๆเป็นนิพานการปรุงแต่งนั่นแหละมันดีมันจะได้ เห็นมันตามความเป็นจริงเห็นผิดนั้นจึงไม่ถูกเห็นวันหาจึงมีปัญญา